ถ้ารมเทศนาแผนที่50ลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่28สิงหาคม2555มีชื่อเรื่องว่าวัฒนธรรมดีวัฒนธรรมเลว วันนี้ทราบว่าวัดปันจิกจะเข้ามาว่าวันนี้วันที่28แล้วก็วันที่29หลวงพ่อจะได้ไปชั้นที่ค่ายเสรีหลุนยุทธตชดพระบันดาศีรูปหลวงปู่ลีสมรูปวัดของเราสองรูปรวมแล้9เกรูปไปชั้น พอฉันเสร็จแล้วก็คงจะเข้าไปไปชมที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเกี่ยวกับรวบรวมพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาและก็เรื่องวิทยุที่มีปัญหากันอยู่เราจะเดินยังไงก็คงจะเข้าไปทั้งวันอีกเหมือนกันนะวันที่29วันที่30เทศบาล กลุ่มพวาปีประมาณสี่ร้อยคนจะมาตักบาทนะจะมาใส่ใส่บาทตอนเช้ามาที่นี่รถบัสหกคันว่างั้นนะคนประมาณสี่ร้อยให้พวกเราเตรียมตะโกงตะกา้าถ่ายเทบาทคนจำนวนนั้นไม่ใช่น้อยละแล้วลเรื่องอาหงอาหารอาหารก็คงไม่มีอะไรแล้วพวกข้าวเนี่ยกลัวมันจะไม่พอคนมาม า, มากเสริมๆ ส, สักหน่อย ส่วนอาหารนะก็คงคนที่เขาเอามาเขาคงมาใส่บัตรที่หลวงพ่อพูดนะอาหารวัดเนี่ยคืออาหารสวรรค์สวรรค์ไ ก, กลๆฮะใครทําบุญอันไหนก็ได้กินอันนั้นฮะแ่ถ้าเราอยู่ในเมืองมนุษย์เราชอบทําบุญอันไหนไปสู่สวรรค์เ น, นี่นี่แหละผลทานของเราก็คอยอยู่บนสวรรค์เนี่ยอ่ะเราก็ได้ทานได้เสวยผลบุญของเราพวก มามากๆากกเหมือนกันทดลองหน่อยสิแต่ทุกคนมามีแต่ขนมเสียงให้ทั้งหมดไปใส่บาตรใช่ไหมเนีแล้วอยากจะไปกินแกงไห้แกงหน่อไม้เอีอย่างอื่นมันก่กินไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวเองบริจาคทานได้ขนมเสียงให้ใช่ไหมก็ต้องได้รับขนมเสียงให้ด้วยกันฮ ะ, เ, ะเพราะฉะนั้นใครทําบุญอันไนไว้ก็ต้องได้รับอนิสงส์วัดของเราเนี่ ถ้าจะว่าไปแล้วคือสวรรค์ไกลไกลนะหลวงพ่อว่านะใครทําบุญอันไหนไว้ก็ได้กินอันนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่พี่น้องกลุมพวาปีจะมาเนี่ยประมาณสี่ร้อยคนพวกเราก็เตรียมเตียงไว้เตรียมข้าวนะไว้ถ้าเผื่อข้าวนะกลัวจะไม่พอนะหลวงพ่อเองก็ไม่ได้เชื้อเชิญไม่ได้ชักชวนนะเป็นศรัทธาของพี่น้องประชาชน ทุกหมู่ทุกเราที่เข้ามาเกี่ยวข้องพวกวัดเรากนนีน้เป็นเจ้าของเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของบ้านลูกหลานของหลวงพ่อทุกคนมันต้องลุกขึ้นมาช่วยๆกันต้องต้อนรับขับสู้แขกคนที่มากเข้ามาทหารหลังให้แขกก็ไม่ใช่เรื่องหลวงพ่อก็เหมือนกันแต่ก่อนเราก็อยู่แบบสบายๆไม่มีใครเข้ามา แต่ปัจจุบันี้มีคู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะสบายเหมือนแต่ก่อนก็ไม่ได้ละต้องวางแผนกันะนะเจเลตอนรับยังไ ง, งพอเหมาะพอสมพอควรแต่ไม่รับเฉลยก็ไม่ได้ถ้าจะตอนรับแต่แขกทั้งวีทั้งวันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ไหวเหมือนกันแต่ทีนี้ยังไงก็ต้องช่วยๆกันทำแบกให้ให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นคนรับภาระก็หนัก ช่วยๆกันแบกทางฝ่ายพระสงุ์ทําหน้าที่อะไรดูแลเรื่องน้ําเรื่องท่าเรื่องของสําร่วยที่จะแจกแพรีน้องประชาชนที่มาเกี่ยวข้องถือว่าเป็นญาติธรรมของเราเป็นทายาติของเราพระสงุงก็ต้องช่วยกันดูอีกมุมหนึง่งสําหรับญาติโยมก็ดูแลอีกน้ําของดื่มเขามาเวลาไหน ของดื่มของฉันเนี่ยของกินมีพอไหมอันนี้พวกเราก็ช่วยกันดูนก็ไม่หนักหนาหรอกสรุปแล้วก็คือของอยู่ของกินของอยู่ของกินของใช้มันมากับคนนั่นแหละถ้าคนมากมันก็ไม่อดถ้าคนน้อยนะคิดว่าจะสบายไม่ใช่นะอดนะแต่ถ้าว่าคนมากเน่มันมากับคนนั่นคนก่อนสิ่งไหนที่มองบองเออ วัดของหลวงพ่ออินเนี่ขาดนู่นขาดนี่เขาก็ขนมาให้เนี่แหละอติเลกราบมันมากับคนนะมันมากับคนถ้าคนไม่มานจะไปหวังอติเลกรลาบไม่ได้นะแต่เบื่อคนแต่จะจะกินขนมเค้กไม่ได้แล้วผิดเบื่อคนไม่อยากจะเห็นหน้าคนแต่นู่นจะกินขนมเค้กขนมปังนั้น่ะอาหารดีๆได้ยังไง แต่ถ้าว่าคนมามากเลยธรรมดาผู้นั้นเอาอ่านั้นมาผู้นี้เอานี้มาอาหารมันก็ปัจจัยสี่ก็สมบูรณ์บริบูรณ์แต่คนเขามามากนี่แหละอันนี้ก็คือปัจจัยมากับคนปัจจัยสี่มาพร้อมกับคนถ้าไม่มีคนแล้วปัจจัยสี่ก็ไม่เกิดนแต่มันยุ่งยากไหมมันก็ต้องยุ่งยากเพราะคนไม่มีอะไรที่จะยุ่งยากเหนือคนไปไม่ได้หรอก นานาจิตตั่างนานาทัศนะมีทั้งพิษมีทั้งภยัยมีทั้งเรื่องราวต่างๆไม่ว่าแต่ยุคนี้สมัยนี้สมัยในครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันพวกเรามาเกิดในยุคนี้เรื่องมนุษย์ในเรื่องยากจริงๆไแต่ในครั้งพระพุทธเจ้าดูสิสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีวันหนึ่งในเมืองกรุงสาวัตถีเนี่ยเขาจัด เขาจัดเป็นนักขกั์นักขกั์ภารชนไม่ใช่นักขกั์บัณฑิตนะนักขกั์คือจัดขึ้นมาเป็นเครื่องสนุกสนานลื่นเลงบันเทิงสําหรับคนทั่ ว, วไปกับลีเการาชัดเขาก็มีเหมือนกันนะเขาจัดทั้งเจ็ดวันทีนี้นพอเขาจัดขึ้นมาแล้วกับพวกเนะี่แหละพวกกินเหล้าทั้งหลายพวกเหล้าทั้งหลายสุราทั้งหลายกัน พันองค์พ น, นันทั้งหลายจากนั้นเขาเหมือนกันเนี่ยเหมือนกับเขาเล่นในบั้งไฟอีสานของเราเนี่ะเสิงบั้งไฟอันนี้คือในครั้งพุทธกาลจากนั้นเขาจะจัดการอย่างเนี้ขึ้นมาก็คงจะเป็นประจําปีงานเกาเลเกาลาดอย่างเนี้ยแต่ใ น, นเขากับเนี่ยเผาขี้เท่าขี่วัวนะขี่วัว ที่มันเป็นฐานบ้างที่มันเผาให้มันจนเป็นเท่าอย่างขาวบ้างจากนั้นผสมกันก็นมาทาหน้าทาตาทาตัวต่างคนก็ต่างทาทะอินเดียก็ชีเปลือยอยู่แล้วใช่ไหมการแก้ผลาเป็นของธรรมดานะแต่นี่นก็พอจะน่าจจับกลุ่มกันกลุ่มนั่นกลุ่มนี้มาไปถึงหน้าบ้านก็ไปขอเงินไปเซิร์งขอเงิน ขอเงินอย่างนั้นขอเงินอย่างนีเ้เจ้าของบ้านเขากระลำคาญเขาก็ให้คนละบาทคนละห้าสิบตะตังจุดแท้แต่ใครจะให้ให้แล้วไปบ้านนั้นต่อไปถ้าเทือกไปเป็นของสนุกแต่บ้านติดตูนะเป็นเรื่องของภาลชนดูดูแล้วไม่ไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรตั้งอยู่ในความประมาทเท่านั้นเดียวก็ไปบ้านนั้นเดวก็ไปบ้านแล้วนี่เหมือนเขาแห่มังกรเลยลักษณะนั้น แห่มังกรเขาก็ยังสุภาพกว่าอันนี้มันคงจะกว่านั้นอ่ะ่นนี้พวกอุบาสกอุบาสิกาอยู่ในกรุงสาวัตถีเนี่ยท่านว่าคนในยุคนั้นถึงห้าโกดธสิบหมื่นเป็นแสนสิบแสนเป็นล้านสิบล้านเป็นโกดแต่หลวงพ่อคงจะไม่มีทะเบียนบ้านคนสิบโกดมันไม่ใช่ธรรมดานะคนสิบโกดมันคนต่งเป็นร้อยล้าน่ะ มันน่าไม่น่าจะใช่หลวงพ่อว่าคนโบราณอาจจะยกเมตพูดจุดนี้มันแต่ในพระไตรปิฎกท่านว่ายอย่างนั้นนะคนในกรุงสวสรค์ทีน่ะสิบห้าโกดเนี่ยคนห้าโกดก็ห้าสิบล้านฮนอาจจะถึงก็ไม่รู้ล่ะพราะเราไม่ได้กเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นใช่ไหมล่ะเราก็พูดตามตําราพระไตรปิฎกท่านพูดอย่างนั้ น, นอุบาสกอย่างเดียวนี่ยอุบาสกอุบาสิกาที่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยว่ามีอยู่ ห้าโกรธพร อ, อุบาสกอุบาสิกาเห็นเรื่องภาลกษัตริย์พาลนักกษัตริย์คือพวกนักกษัตริย์คือเปิดโอกาสให้คนสนุกสนานจุดเวียงนะแต่นีน้ทางอุบาสกอุบาสิกาที่นับถือพระพุทธเจ้าก็ส่งข่าวไปบอกขอนิมนุ์พระพุทธเจ้าอย่าเสด็จออกบินทบาทขอให้อยู่ในวัดป่าเชตตะวันพร้อมกับพระสงฆ์ เดี๋ยวจะส่งอาหารเข้าไปถวายอย่าออกมาเพราะออกมาคราวนี้ไม่ได้เลือกหน้าใครทั้งนั้นใครๆออกไปขนาดอุบาสกอุบาสิกา ย, ยังปิดอยู่ในบ้านเงียบไม่ออกไปถ้าขืนออกไปเนี่ยไม่รู้เขาดายัางไงไม่รู้เขาจะพูดอะไรคำหยาบคำคลายอะไรเขาจะพูดออกมาพูดออกมาก็ไม่ผิดกฎหมายเป็นกติกาของเขาลักษณะอย่างนั้นแต่เหมือนกับเซิงบังไฟอีสานอย่างนั้นอะ พวกเราก็คงจะเห็นอินเดียก็คงจะลักษณะอย่างนั้นทันในพวกอุบาสกอุบาสิกานก็ส่งคนเอาอาหารไปถวายพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ที่วัดปา่าเชตะวันมหาวิหารทั้งเจวันไม่ได้ออกพระพุทธเจ้าเขาไม่ออกเพราะอุบาสกเขานิมนต์ให้อยู่ออกไปแล้วก็เป็นอภปมงคลออกไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะมันยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมด ตอพระองค์ก็ประทับอยู่ที่วัดปายเชตะวันจนถึงวันที่แปดพอวันที่แปดพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระ ส, สงฆ์สเสด็จออกปินทบาตจากนั้นพี่น้องประชาชนทั้งหลายก่อนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นสัมมาทิฐิก็ออกมาทำบุญตักบาตรกันเหมือนปกติหรือว่ายิ่งกว่าแต่ใ น, นผู้ที่กราบทูลพระพุทธเจ้าก็มี่โอ้พระพุทธเจ้าค่ะ เจดวันให้หลังเนี่ยพวกข้าพระองค์ได้ยินอะไรไม่รู้จะล้างหูก็ไม่ไม่เชิงเหมือนหูจะแตกพอได้ยินเสียงอปมงคลสิ่งไหนที่หยาบคายสิ่งไหนที่หยาบโลนสิ่งไหนที่ไม่เคยได้ยินคำพูดก็พูดออกมามีแต่เรื่องสั ป, ปดิสัพตนมีแต่เรื่องอปมงคลทางนั้นที่ได้ยิน เพราะนั้นจึงนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์จะได้ออกมาจากวัดป่าเชตวันจึงได้ส่งคนนําถวายเข้ามาถวายพระพุทธเจ้าข้ากลาบทู่มพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าเออโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละถ้าคิดอย่างนั้นถ้าทําอย่างนั้นแปลว่าตั้งอยู่ในความประมาทไม่ได้คิดอะไรมีแต่คิดสนุกสนานเพียงแค่นั้นตั้งอยู่ในความประมาทอย่างมาก เพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายเมื่อรู้แล้วว่าอันนั้นคือความประมาทพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะให้เพ่งพินิษทําจิตใจตัวเองให้สงบสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์สึงไหนที่มันเกิดประโยชน์ให้พวกท่านทั้งหลายใช้ปัญญาใช้แนวความคิดให้ใช้ปัญญาการกลองไตรตรองเหตุและผลพวกท่านคงจะรู้ว่าอันนั้นมันไร้สาระไร้ประโยชน์มันมีอะไรมีแต่เรื่องหนักไปทาง กิเลสกามวัตถุกรมมันเรื่องกามมันมีเรื่องกิเลสการมวัตถุกามเป็นหลักที่เห็นเห็นมันตั้งอยู่ในความประมาททั้งนั้นเพรา ะ, ะนันขอให้พวกเราท่านทัน้งหลายจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถ้าพวกท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วเพ่งพินิจอยู่ในมรรคะปฏิปทาที่เรากล่าวดีแล้วนั้นจมาทิติเป็นเบื้องตน้นพวกท่านจะเข้าสู่ ใกลแดนพรนิพานอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนลูกศิษย์ลูกหาของพระองค์พุทธบริษัทสี่ของพระพุทธเจ้าคือสรุปแล้วก็คือไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทถ้าว่าเรามาเปรียบเทียบยุคนั้นสมัยนี้ขนาดยุคสมัยครั้งพุทธกาลสมัยครั้งพระพุทธเจ้าแท้ๆนะก็ยังมีประเภทอย่างนั้นเกิดขึ้นในชุมชนในยุคสมัยนั้น แต่พวกยุคสมัยนี้พวกเรามาเห็นก็เห็นคนทั้งหลายไม่ว่ากิเลสสมัยนั้นไม่ว่ากิเลสสมัยนี้โลภสมัยนั้นโลภสมัยนี้โกรธสมัยนั้นโกรธสมัยนี้หลงสมัยนั้นหลงสมัยนี้ราคาสมัยนั้นราคาสมัยนี้ก็คือกิเลสตัวเดียวกันเป็นยุคถ้าหาไวายุคไหนส่งเสริมมันขึ้นมันก็กระพือขึ้น ถายุคไหนสมัยไหนส่งเสริมการมกิเลสในยุคนั้นสมัยนั้นก็นั่นอ่ะเข้าไปแบบฉับที่ระฉานเข้าไปเรื่อยๆรืมันสุดแท้แต่มนุษย์จะให้ความสนใจและใส่ใจเรื่องอะไรในครั้งพระพุทธเจ้านะขณะพระพุทธเจ้ายังสงประชนยังแสดงธรรมให้แก่เวทนายสัตว์ท้งหลายก็มีทั้งขาวมีทั้งดําฆระกันไปเพราะฉะนั้นพวกเราจะถือว่าเป็นของแปลกมายุคสมัยนี้ ให้มองดูพวกเราท่านให้เรามองเราเรานเป็นคนอย่างไรเราจะมองเอาดีและเอาเร็วถ้าเราเอาดีทำคำสอนของพระพุทธเจ้าดีคืออะไรเราก็ต้องแยกแยะให้ออกเล็วนันคืออะไรอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดสมัยก่อนวัฒนธรรมวัฒนธรรมวัฒนธรรมมันมีหลายอย่างเราจะเอาวัฒนธรรมเร็วหรือเอาวัฒนธรรมดี วัฒนธรรมเลวก็คืออะไรกินเหล้าเมายาฟ้อนในถนนทุนทางเป็นวัฒนธรรมไทยก็ใช่คนโบราณเขาเคยทํามาแหม่แก่ผ่าบางังเอาขี่เท่าบางเอาขี่เลนขี่ต้มพอกกันบงังสาดขี่ต้มขี่เลนใส่กันมันดา่าสเปสเพเฮแล้วไม่มีคําว่าสุภาพไม่มีหรอกมีแต่เรื่องหยาบหยาบรุนรุมาด่ากันไม่ถือกันให้อภัยกัน ที่มันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือวัฒนธรรมเราจะว่าเรวหรือดีกับวัฒนธรรมถ้าวัดปราดทั้งหลายกเว่าตั้งอยู่ในความประมาทวัฒนธรรมเร็วแต่วัฒนธรรมดีนั่นคืออะไรเรารู้จักพระคุณของพ่อของแม่วันจุดเทศกาลเราควรจะไปกราบพ่อแม่เราควรจะไปช่วยดูพ่อแม่เข้าไปวัยวุฒิคุณวุฒิให้รู้จักทิศทั้งห ทิศทั้งหคืออะไรบิดามารดามีคุณอย่างไรสามีภรรยาควรปฏิบัติอย่างไรครูบาอาจารย์ควรจะเรียนรู้เรื่องครูบาอาจารย์อย่างไรมิตรสหายควรจะดูแลมิตรสหายอย่างไรลูกน้องบริวารของเราควรจะให้การส่งเสริมดูแลเขาอย่างไรสรมณพราหมณ์ผู้ที่ให้แนวความคิด แนะนาสั่งสอนพวกเราเราจะเคารพบูชานับถือท่านอย่างไรอันนี้คือแนวความคิดของปราชญ์เขาต้องคิดอย่างนี้ประวัติทย์ทั้งหกปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าหาว่าภาลชนต้องคิดอย่างนั้นวัฒนธรรมอันนั้นคิดอย่างนั้นวัฒนธรรมอย่างนี้คิดอย่างนี้มันมีวัฒนธรรมทั้งเลวทั้งดีแต่เราจะเลือกเอาวัฒนธรรมไหนที่จะเหมาะกับเรา แต่วัฒนธรรมของพวกทวเจ้าจังหวะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะแต่ถ้าทําอย่างนั้นประมาทไหมแน่นอนคนกินเหล้าเมาสุราเข้าไปแล้วไม่ประมาทจะว่ายังไงเป็นบ้า ช, ชั่วข่าวไปแล้วถ้าว่ากินมากๆไม่รู้จักจุดก็เป็นบ้าตลอดไปเหมือนกันฮะเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเราเลือกได้คําที่คุณแม่ชี้แก้วจังหวะโลกในโลกหาได้โลกเลือกได้ เราจะเลือกเอาอะไรเราจะหาเอาอะไรเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายนะนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายแนวแนวความคิดที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังนี้เป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราจะเอาวัฒนธรรมอะไรเราจะตั้งอยู่ในความเป็นศีลเป็นธรรมอย่างไรจึงจะไม่ประมาทที่พระพุทธเจ้าท่านว่าท่านสอนอุบาสกอุบาสิกาในยุคนั้นว่า ถ้าทําอย่างนั้นคือตั้งอยู่ในความประมาทไม่คิดว่าตัวเองอนาคตตัวเองจะเป็นอย่างไรไม่ได้คิดในพวกท่านทั้งหลายเมื่อไรศึกษานำตามแนวแถวอริยะอริยะประเพณีที่เราแนะนําสั่งสอนไปแล้วให้พวกท่านทั้งหลายเดินตามสายนี้ถ้าพวกท่านเดินตามสายนี้แล้วพวกท่านจะเข้าสู่แดนมรรคผลนิพพานจิตใจของท่านจะบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส โดยไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าท่าตรัสอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะเมื่อได้ยินแล้วก็โอ้ปัญญยโกเหมือนกันน้อมก็มาหาเราอีกเราในตั้งอยู่ในความประมาทมากน้อยแค่ไหนฮแต่ละวันเราปล่อยจิตปล่อยใจออกจากจิตจากใจออกนอกรูกนอกทางมากน้อยแค่ไหนฮย่ากเมื่อวานคุงพ่อได้รับจดหมายมาจากทางยะโสธรเขาบอกว่า ตะก่อนดิฉันก็ไม่ได้สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมต่อมาก็ได้ฟังธรรมเทศนาของหลวงตาจากนั้นก็ได้ปฏิบัติได้ภาวนาโอ้หลวงตาสอนในธรรมะเป็นอย่างหลวงตาพูดจริงๆทีแรกก็ไม่ไม่สนใจแต่บังคับตนเองให้ภาวนาพอบังคับให้ภาวนาพอติดในการภาวนาอยากจะรู้อยากจะเห็นแต่ไม่เห็นนิมิตนะแต่ดูใจของตัเองใจของตัวยังมีความสุขเลอเกินในการภาวนา ตามแนวแถวที่หลวงตาได้สอนว่าดิฉันผู้วันภาวนาวันละหลายชั่วโมงนะแต่ทั้งที่เป็นข้าราชการหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อกับปลื้มเออเออยังมียังมีผู้สนใจใฝ่ในธรรมอยู่นาเนะ่หลวงพ่อได้ยินผู้ที่พูดธรรมะอย่างนี้ให้ฟังมันมันหาได้ยากผู้ไม่ได้พูดก็คงจะมีมากอยู่แต่พูดโพเข้ามาพูดให้ฟังหลวงพอ่อกออ็น่าปลื้มใจน่ายินดี กับผู้สนใจไฟในธรรมนะรับพร อ, อนโมทนาให้พร